Book 2หนึ่งร้อยคำวิเศษอดเวรบิสเคยยังไม่เคยจ á าบางเมื่อวันไมคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะใครไม่มีใครคุณรู้จักใครที่นี่ไหมค่ะไม่ดีฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ Não, não conheço aqui ninguém. g u i t igu, n Um pouco mais, mais não. Você ainda f i c a m u i por mais tempo? Aqui? Não, eu não fico muito mais tempo aqui. อะไรอีกไม่อีกแล้วคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมไม่ดีฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะ não quero mais nada. อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม่ฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะมฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะไม่ฉันยอะไรมคไม่ไม่อมครอีกแล้วไม่ มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมีใครอีกแล้วค่ไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะไม่ไม่มีใครอีกแค่รอีก่ไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ w ไม่ o o k มีใีก